วันเสาร์ที่11พฤศภาคมพศ2539ธรรมปัญยายเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของภาริยสาวกโดยอาจ า, า, ารย์สุเทพโพธิสัต tha ท่านสาวพิเชนทิโรบครับเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยซึ่งหมายถึงพระอรหรันต์ใน ส, สมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดที่เรากาลังพูดถึงนี้ เพื่อเพื่อได้ศึกษาถึงตัวอย่างที่จะเอามาเป็นเครื่องยืนยันหลักทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิปัสสนาไม่ว่าจะมีเรื่องกรรมเรื่องพุทิกรรมความดีความชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวปรุงแปลหรือเป็นเหตุที่เข้ามาทำให้วิปัสสนากรรมฐานของบุคคลเป็นไปได้ทำให้วิปัสสนากรรมฐานของบุคคลนั้นต้องเกิดอูปสร แล้วก็การจะแก้ไขอย่างไรนั้นในประวัติของพระเถระเหล่านี้ก็จะมีแง่มุมองค์นั้นตรงนี้องค์นี้ตรงนั้นบอกแก่เราก็้ก็เป็นประโยชน์มากซึ่งในร ะ, ระยะตอนนี้นั้นกำลังพูดถึงประวัติโดยสังเกตซึ่งไม่ได้ทำแง่มุมในลักษณะที่เป็นความแยบยลในทางวิชาการเป็นพิเศษอย่างที่ อยากจะพูดและท่านทั้งหลายกำลังรออยู่ก็ขอให้ได้พูดถึงประวัติในลักษณะอย่างนี้ไปจนครบหมดก่อนสำหรับองค์ที่เราจะนำเอามาอธิบายเสริต่อจากคราวก่อนคือเมื่อเดือนก่อนหน้านั้นได้แก่พระภิกษุองค์ที่121วันนี้นั้นคงจะได้แจกเอกสารให้จะเป็นเพียงแผ่นเดียวหรือเต็มชุดไม่ทราบ แผ่นเดียวนะฮะแผ่นเดียวก็หมายถึง ว, ว่าครั้งหน้าจะจะทําให้เป็นชุดแล้วมาแจกซ้ําอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราคงจะใช้แผ่นนั้นแผ่นเดียวซึ่งอาจจะพูดไม่ครบจบทั้งหมดที่เป็นรายชื่ออยู่ในแผ่นนั้นองค์ได้ที่จะพูดถึงคือพระอุตระเทระชื่ออุตระนั้นเป็นชื่อที่ซ้ํากันหลายรูปนะฮะแม้แต่รูปที่มาเผยแผ่พุภัตตศาสนาในสวรรณภูมิคือที่นะคนปรปฐม ก็มีองค์หนึ่งที่ชื่ออุตระพระอุตระกับพระโสนสองรู ป, ปรอุตระที่แปลว่าเหนือนะครับซึ่งในที่นี้ท่านในช่พระอุตตระองค์ที่มาเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นพระอุตตระในสมัยพระพุทธเจ้าเป็นบุตรพรามณ์มหาศารคือคนที่เกิดในวันพระพราหมณ์และมีฐานะร่ำรวยด้วย เพราะว่าคนที่เกิดในวันนัพรามนั้นยากจนก็มีร่ารวยก็มีร่ารวยจะเรียกรามมหาศาลเป็นชาวแควนมาคตเกิดในกรุงราชฤก์คือเป็นคนเมืองกรุงในสมัยนั้น เ, เมื่อท่านเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็มีมีความรู้ความสามารถในตัวของท่านเกิดจะเรียกได้ว่าครบล้ ว, ว่าโดยรูปก็บุคลิกดี โดยวิชาก็ความรู้ดีโดยความประพฤติท่านก็ว่าเป็นคนที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยซึ่งนับว่าบุคลิกเดิมของท่านเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์ั้งแต่ยังไม่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาและเพราะความที่เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์นี่นะครับก็เป็นที่หมายตาของผู้ที่เป็นพ่อ พ่อหมายถึงพ่อของผู้ที่เป็นคนที่เป็นสาวคือพ่อผู้หญิงตามําเนียอินเดียเขานะจะ แ, แม้แต่ในเมืองจีนสมัยก่อนก็คล้ายๆกันแต่อินเดียนั้นก็เป็นแรงเขาจะทำหน้าที่หาลูกเขยให้ลูกสาวสมัยก่อนเนี่ยยังมีที่พลบางส่วนมาถึงเมืองไทยเราในยุคโบราณแล้วก็ใครที่มีลูกชายก็จะหาภรรยาให้ลูกสาว แล้วก็ลูกชายหรือลูกสาวนั้นก็มั็จ เ, เชื่อเป็นอันดีก็ขนาดพวกเราคนหนึ่งเนี่ยที่ที่มานั่งฟังวันนี้คงไม่ได้มาคงว่าเขามีคนขับรถเนี่ยเป็นชาวอินเดีย อ, อยู่ที่โครักระปูโครักระบุญนะที่อยู่เวลาเราจะเดินทางไปลุมพินีเนี่ยต้องผ่านโครักระบุญ ก็เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยประสบความสำเร็จจนกระทั่งกลายเป็นเสียและในที่สุดเธก็เกิดหายยันะขึ้นตัวก็ต้องส่งลูกส่งภรร ย, ยากลับไปอยู่ที่นู่นแล้วก็มาทำงานเป็นคนขับรถให้กับพวกเราคนหนึ่งนะผมก็เคยเจอพูดระตาไทยพอได้ก็เรียกว่าเป็นแขกที่มีมีลักษณะดีหน่อยทีนี้ก็ถามว่าเออแล้วนี่ไปไหนซะล่ะ บาบูไปไหนลูกพี่เขาบอกว่ากลับไปอินเดียถามว่ากลับไปทาไมไปขอสามีให้ลูกสาวแล้วไปขอไม่ใช่ไปขอไม่ต้อเสียอะไรนะเจ้านายเนี่ยต้องออกเงินให้เป็นค่าสามีของลูกสาวว่าขาดเหลือเท่าไหร่ลูกพี่ก็เ อ, อช่วยเหลือ<ม>ก็ยังให้กลับกลับมาก็จะลองถามดูว่าไปหาที่ไหนก็อาจจะมีตลาดสามีอย่างที่เคยได้ยิน ก่ที่มีลูกสาวก็ต้องไปเที่ยวดูว่าจะเอาคนไหนเหมือนซื้อวัวซื้อควายะครับคนไหนที่หน้าตาดีความรู้ดีวันนะดีก็ราคาแพงหน่อยก็ซื้อซื้อมาแล้วเนี่ยบางทีก็ก็ยิ่งขัดทุนหนักก็มีก็มีนะมีหลายแบบที่ผมก็พูดถึงว่าสังคมมีเดียก็เป็นอย่างนั้นมาแต่สมัยพุคการแล้วในตอนนี้นะเนื่องจากว่า อุตรมามนุคนนี้นะเป็นคนที่สมบูรณ์มากจริงนที่หมายตาของใครหลายคนและคนหนึ่งก็คือคนสำคัญของพระเจ้าพิมพิสารตอนนั้นที่มีชื่อว่าวัสการละอมาต์ตอนนั้นตำแหน่งยังไม่ใหญ่อะไรมากพอมาถึงชั้นลูกตำแหน่งถึงสูงขึ้นวัสการละพรามแหละครับคนที่เป็นเหตุทำให้เมืองเวสาลีแตกคนนี้แหละตอนนั้นยังเป็นยุค จะตัดรุ่นพ่อก็หมายตาว่าเรามีลูกสาวเราจะยกลูกสาวของเราให้คนนี้จะอยากจะได้คนนี้เป็นลูกเขยก็ไปเจรจากับเจ้าตัวถ่าทาเจ้าตัวต ว, ว่าจะยกลูกสาวให้เราก็ไม่ทราบวปาลูกสาวของวสการบรามเนี่ยจะฉลาดเหมือนพ่อหรือจะอะไรยังไงเหมือนพ่อหรือเปล่าเราไม่ทราบ น, นะแต่ว่าปรากฏว่าอุตตรมาเน์นั้นปฏิเสธ แต่เหตุที่ปฏิเสธนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าลูกสาวของท่านอมตเป็นคนไม่สวยหรือเป็นคนไม่มีการศึกษาปฏิเสธเพราะอุตตรมาเนศนั้นเป็นคนมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปในทางเนคขมมะคือต้องการจะบวชต้องการจะหลุดพ้นต้องการจะชำระตัวเองต้องการไปนิบบานถึงถแม้ว่าตอนนั้นนิพพานคืออะไรไม่รู้ก็ตามแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีอุปนิสัยที่จะมากรองเรียน ก็ถ้าพูดอย่างภาษาเดี๋นี้ก็เรียกว่าน่าเสียดายพูดโดยความรู้สึกของคนอารมณ์โลกนะนี่ก็เล่าเล่าประกอบเพื่ออ่านความรู้สึกคนเราใหมนะ่นั้นคือบางคนไปเห็นแม่ชีการศึกษาก็ดีสวยก็สวยแต่ว่าไม่ไม่ชอบการคลองเรือนเหตุไม่ชอบนี่ก็มีต่างๆกันแล้วก็หนุ่มคนนั้นเขาพูดว่าไงรู้ไหมเสียดายเสียดายที่เขาพูดหมายความว่าอย่างไรเราก็เข้าใจ แล้วก็บางคนก็ที่ไม่ใช่เป็นคนวัดเขาไปเห็นพระที่เป็นคนบุคลิกดีอะไรก็ดีหลายอย่างรวมทั้งรวยก็รวยเนี่ยแต่ว่าเสร็จแล้วไปบวชเป็นพระเธอก็บวนว่าเสียดายก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกันแล้วมันมีอีกนิดนึงคือบางทีผู้ชายไปเป็นกระเทยผู้หญิงไปเป็นเขาเรียกอะไระเดี๋ยวนี้ก็มีภาษาเรียน ผู้ชายเรอย่างผู้หญิยผิดเพศไปต่างคนต่างก็บ่นเสียดายบางคนก็แค่นึกๆอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครหรอกก็เป็นการแสดงความรู้สึกในทํานองโลกโลกแต่ว่าในกรณีของคนที่จะไปวัดไปวาไปสู่เนกัมมะเนี่ยถ้าคนที่เข้าใจธรรมะแล้วก็ไม่ควรจะพูดว่าเสียดายเราจะพูดว่าอนุโมตนาเต็มใจหรือแนมะ้บางคนเนี่ย ได้แต่งงานมีลูกมีเต้าเป็นสามีกันแล้วภรรยากันแล้วบางคนเขาก็ยังหวงอยู่บางคนเขาก็อนุโมทนาและอยากแยกไปก็มีคนพูดให้พูดกับผมจริงๆว่าไม่ได้เคยนึกหวงหวงเลยถ้าเขาจะไปแล้วบางคนยังยุให้ไปด้วยกันนะหลายๆายเล่าอย่างนั้นแต่ก็มีบางรายที่ทําเสียงอ่อยๆว่าเขาจะไปพอจะไปจริงก็แล้วก็ทําเสียงอ่อยเหมือนกัน ตัวตอง <c oughs> แก้ไขความผิดกันใหม่เอทีนี้พระโตนสกาลาพราเขาไม่มีความคิดอย่างนี้เราก็เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ย, ย, ยิ่งยุคนั้นาศาสนาพุทธยังไม่ได้เข้าไปจับในแคว้นมครดอย่างเต็มที่เมื่อได้รับการปฏิเส ธ, ธอย่างนี้นะ่ะวัสกาพลพรามรู้สึกเสียหน้าอย่างยิ่งว่าขนาดคนระบับเราเนี่ยลดตัวลงไปเจราจาอย่างนี้ ได้รับการปฏิเสธแทนที่จะเลื่อมใสว่าแหมหายากนส า, าธุอย่างเจ้าพุทธเถื่พูดขเขาไม่พูดแม้แต่คิดก็ไม่ได้คิดกลับตีความเลยว่าเขาปฏิเสธความหวังดีดูถูกเราและดูถูกลูกสาวของเราจึงเก็บแค้นไว้เก็บเป็นความแค้นไว้และในที่ถือก็ได้ช่องระเบิดออกมาเป็นเรื่องราวหน้าตะพุ่นโกรกขึ้นในภายหลังกล่าวคือ ออกมาเนี่ยอุตระมานุปไปบวชตอนนั้นวัยยังไม่เต็มที่หรอกครับก็บวชเป็นเอ่อว่าสมณีอุตระแล้วก็ไปบวชเวียงครบวชอยู่กับท่านตรัสรบุตรเมื่อไปบวชแล้วก็เป็นฆ่าที่ดีอยู่ในอาจาระอนันงดงามปฏิบัติอ อ, อันเตวาสิกวัตรต่อครูบาอาจารย์ตรัสรบุตรอย่างดีทีนี้ที่มันจุดเกิดเรื่องนะคือว่าครั้งหนึ่ง อาจารย์คือภาษารีบุตรนั้นป่วยปุตราสมัมมณีก็ห่วงใหญ่ดูแลขาดเรืออะไรก็ไปหาให้ทุกอย่างก็ขาดยาก็รัดปากอาจารย์ว่าจะไปหายาเดินทางอุ้มบาตรไปในเวลาเช้าตรู่ก่อนออกบิณฑบาตจะไปเก็บยาทีนี้ตอนออกจากวัดเช้ามากหน้าตาก็ไม่ได้แปลงสมัยก่อนก็ไป แ, แวะแปลงฟวันบ้ว น, นปากที่ไหนก็ได้โดยมากไอ้ห้องน้าก็อยู่ในที่ต่างๆนะะ ก็เอาบาทไปวางที่ริมทะเลสาบแห่งหนึ่งตัวก็ไปล้างหน้าเคี้ยวไม้สีฟันพอกลับเข้ามาที่บาตปรลาดบาทนั้นเต็มเวยหอทรัพย์สิน mm hmm. เป็นห่อของมีค่าคือเป็นห่อลตนะหอเล็กแต่เล็กพอที่จะใส่บาทได้แต่เขาไม่ได้มาใส่เพื่อถวายล่คะครับใส่เพราะว่าไอ้โจรที่มัน เข้าไปต้นในเมืองโดวยวิธีการขุดอุโมงสำนวนแปลในบาลีที่เรียกว่าโจรทําลายอุโมงไม่ได้แปล ว, ว่าไปทําอุโมงให้มันเป็นอุโมงนะฮะคือทําลายดินให้เป็นช่องอุโมงเพื่อลอดเข้าไปก็ไปเอาของ ไ, ได้ก็ถูกไล่มากระชั้นคิดก็เห็นว่าทางเดียวที่เราจะเอาไอ้ของนี่วางไว้ก่อนได้เจออะไรมุมไหนที่สมควรก็ใส่ก็ไปใส่ในบาตรพอไปใส่ในบาตแล้วโจรก็หนีไปทีนี้คนตาม ตามของมีค่าเนี่ยเขาเรียกว่าตามเอาของคืนด้วยตามจับโจรด้วยอะไรสำคัญกว่ากันของสำคัญกว่าใช่ั้ยไม่ใช่ฆ่าเ้าตายนี่ใช่ไหมล่ะก็ค่าเขาตายเนี่ยจับโจรสำคัญกว่าแต่ขโมยของเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนโจรนะว่าเวลาขโมยของสานองว่า่าเอาหมดไง่าเอาหมด หรือถ้าเอามาแล้วก็คืนด้วยวิธีการหยอดโยนให้เจ้าทรัพย์ลังเลตัวก็มีทางที่จะรอดได้ง่าย อ, อพวกที่เ้าเรียกว่าราชาบุรุษมาเห็นทรัพย์สินแล้วก็เห็นเนงกำลังล้างหน้าขึ้นมาโดยไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ตีความผิดว่าเนงเป็นพวกโจรสมรู้รูปที่กระโจนก็จับเนม เอามาส่งให้อัมหมายพิจารณาปรากฏว่าพอวสการพาพราหมณ์ทำหน้าที่ตัดสินคดีเห็นหน้านเนร่นันหละครับจำได้เลยคู่เวนว่า น, นี่คือคนที่หักหน้าเราไว้ทำให้เราเสียหน้าก็เลยลงโทษในลักษณะที่เัาไม่ได้ทำอย่างประบุญจิธรรมที่ไม่รู้เป่าอะไร เตาเนี่ยม่มีไวซักซอกนี่ไม่ได้ซักเลยคิดจะแก้แค้นอย่างเดียวเลยใช้อํานาจหน้าที่ไปเป็นประโยชน์ในทางแก้แค้นสั่งให้พวกราชามานั้นลงโทษทรมานแล้วก็ประหารชีวิตแต่ว่าก่อนจะประหารชีวิตนั้นให้ประหารแบบให้ตายเองคือเอาใบเสียบไว้ที่หลาวระไม้ก่อนทําอย่างนี้นะ่ะเป็นเรื่องค่อนข้างไม่ค่อยจะมีปฏิกิริยาเดี๋ยวนี้ทําไม่ได้ สมัยก่อนนีทําได้ง่ายเป็นว่าเล่นแต่ทั้งพระเนรก็ไม่เว้นอ่าอันนี้เป็นชะตากรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงมาตรัส บ, บอกที่หลังเพราว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงแผ่ไข้พยานมาในแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็มามาไดา้มาเห็นเนร น, นะก็รลี้ยงเนรเนี่ยการจะได้บรรลุธรรมต้องสวรวิบากกรรมอย่างนี้ก่อน เป็นพวกที่จะบรรลุได้ด้วยอาการที่รุนแรงก็ทรงสเสด็จเสด็จมาด้วยพระองค์เลยและเอื้อมพระหัตลูกที่หัวเนนพร้อมกับตรัสว่าเนนเอยอย่าได้โทมนัดเลยนี่เป็นกรรมเก่าของเธอเธอจะต้องเสวยและการที่ได้เสวยอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้ บรรลุธรรมได้ก็จะได้ทรงแสดงธรรมเป็นบุคคลที่บรรลุธรรมบนชใช้ให้สำนวนหน่อยก็ว่าบนตแหลงแกง่งตหลังแกงที่ประหารอย่างนี้ก็คือหอกเหลาเนรบรรลุธรรมบนนั้นเมื่อบรรลุธรรมแล้วนื่จากว่าการบรรลุธรรมของเนร น, นั้นต่างกับท่านจักขุบาลที่เล่าแล้วท่านจักขุบาลเนยบรรลุแล้วไม่เกิดตะบะ พิเศษเพราะว่าพระจักขุบาล น, นั้นเป็นพระอระหันต์ประเภทสุ ข, ขวิปัสสกาไม่เกิดไ อ, เอ้เครื่องคุ้งครองในลักษณะแปลกประหลาดนะแต่ว่าเนินองค์นี้นะเหมือนกระลุฟิตท่านมหากระปะที่เรายังไม่ได้เล่าถึงบรรลุบนกรลุฟฟิตมหากตะสปะนะั้บรรุบนตะแลงแกงที่ประธานเลยแต่นี่เป็นตะแลงแกงคืหอหอกเหลาเมื่อบรุเป็นพระอระหันต์ประเภท อุพโตตาคาวิมุตติท่านเรียกในที่นี้ว่าเป็นอารหันที่ได้ยิชาหกกิโลเมตรหมดด้วยและได้พลังลิศด้วยเพราะฉะนั้นเนรจึงสามารถใช้พลังลิศเนี่ยอธิษฐานได้ทําให้เนรนั้นหลุดออกจากตะแลงแก่งออกจากไอไอหอขเหลาเนี่ยต้นอิสระออกมาผ่านกลางไทยมุงนะฮะถ้าเป็นของเราเรียกไทยมุงแต่นี่ไม่ใช่ไทยเป็นแขกมุง อันไอ้ภาพที่น่าสยดสยองเท่าไหร่แล้วก็ท่านเองสามารถจะพร่งตัวเองออกมาได้เนี่ยจึงทำให้เกิดความตื่นตะลึงและความสมเพศเวทนากลายเป็นความศรัทธาขึ้นมาอย่างฉับพลันว่าเนนทำอย่างนั้นได้อย่างไรตรงนี้แหละครับในคมพีท่านใช้คำว่าเนนได้อนุเคราะห์ที่ประชุมด้วยฤทธิ์อันบริสุทธิ์ของตัวก็เลยมีผลทาให้ คนหันกลับมาสนใจพระพุทธศาสนาได้อีกทีหนึง่งเรืนก็เลยไม่ตายแต่ว่าสิ่งที่เป็นแผลเนี่ยนะฮะถ้าเราดูจากประวัติของพระองค์หรื่นบางคนเป็นแผลแล้วแผลหายพอบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแผ ล, แผลหายเขีนว่าตาผูกทิ่มพอบรรลุธรรมในเวลารวดเร็วต่อจากนั้น ตากลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนอย่างพระเทรีองหนึ่งที่ผมเคยเล่ามาแล้วพอจะนึกเราๆได้ใช่ไหมที่ควักลูกตาเพื่อจะให้ผู้ชายคนหนึ่งเสร็จแล้วก็กไอ้ผู้ชายไม่เอาตาก็กลายเป็นอย่างเก่านะนกรณีอย่างนี้เรียกว่ากรรมแก้ได้ในทันทีแต่ว่าสำหรับท่านอุตระนั้นบาปแผลเป็นอย่างเหลือค้าง ยังตกค้างอยู่ก็เลยตรงนี้อยากจะแ้งอาจจะแรกจะว่านอกเรื่องหรือในเรื่องก็คงจะได้ไอ้ที่ไปออกรายการโอเนี่ยเขาเขาคนเชิญเขาบอกเขาไปฟังเทปเรื่องรอยบุญรอยบาปคุณไายโรอยของแม่นยามดีนะเขามาฟังได้ยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ไปได้เทปยู่ไหนหมายเรื่องนี้ไม่ได้พูดที่นี่ ไม่ได้พูดในานามของยูอูปุตในที่ไหนพูดที่อื่นนี่ก็เขาก็สนใจเอ่อก็เลยให้ไปพูดที่นี้วันนี้นะเราได้บุคคลคนหนึ่งมีเล่าเป็นเรื่องแปลกมากเอคนที่ไปร่วมรายการด้วยจะยเข้ามาหรื อ, อยังไม่ทราบนะอาจจะไม่ได้เข้ามาเขาช่วยติดต่อทั้งแม่ทั้งลูกเึิ่งเป็นเรื่องแปลกมากคนนี้เนะเป็นมันนี่ั้งเป็นฝีฝีลาย อยู่เมืองนอกก็มีอยู่ในกรุงเทพก็หลายลายต่ า, างจังหวัดนะตัวประเทศเนี่มีที่นั่นนี่ที่นี่หน่อยเท่าที่เรารู้ทีนี้คนนี้นะี่ยอยู่ที่หวัวขวางผู้จ่ากันเมื่อกี้มาทั้งแม่ทั้งลูกจะฟังไหมนเนี่ยไม่ใช่สาวกนะหน้าเขาเนี่ยเป็นรอยปานแดงเคยเห็นไหมฮะเป็นรอยปานแดงผมก็เคยเห็นคนอื่นแต่เราไม่รู้เขาระลึกาติไม่ได้มันก็ไม่มีบทอธิบายอะไร เป็นเรื่องเล่าจเอาหลักมาพูดซึ่งตัวเขาก็นึกไม่ได้ก็พิสนเท่ากับพิสูจน์ไม่ได้แต่แต่ฟังหลักแต่นี่เป็นหลักก็พูดได้แล้วเขาก็พิสูจน์หลายคนก็พิสูจน์ได้ฝรังบินมาศึกษาตั้งแต่อายุสามขวบจนมาทั้งวันนี้ในอายุสามสิบเอ็ดแล้วแล้วบนหัวเขาเนี่ยก็มีรอยรอยในปากก็มีในเพลาะในริมฝีปากแล้วเป็นรอยบาดแผลแต่ที่เห็นชัดคือหน้าแดงๆมันเกิดขึ้นได้ยังไง นี่เป็นรอยแผลเป็นที่ติดมาจากชาติที่แล้วชาติที่แล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ชายตอนตายอายุสิสามแล้วมาเกิดเป็นลูกของแม่คนเก่าทํางานเป็นขั้น ก, กรเอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นพนัก ง, งานหรือขั้นการรู้ระัฐวิสาหกิจคืออาการรถไฟอยู่ภาษา น, นี่ยครับที่ทํางาน่ะทีนี้ทำไมมันถึงกลายเป็นแผลเป็นอย่างนี้ ให้ตอนลูกเขาตายไปตายเพราะว่าไปทอดกระิ่นทอดฝาไม่รู้ทอดกระถินแล้วมั้งตอนนั้นมันเดิอนพฤศจิกา ย, ยนเมื่อปีสศ .2110 ในช่วงนั้นนะก็ชนปรากฏว่าลูกตายบาดแผลไม่มากครับโ ด, โดนแบบแต่ว่าไอ้ตรงหน้าเนี่ยมันมีรอยเลือดอาบหน้าอยู่แถบหนึ่งแล้วก็มีแผลเป็นหลายที่อย่างที่ชาตินี้เป็น ทีนี้พอเอาศพมาไว้ที่วัดมักกสันแม่ที่มีหน้าที่จะต้องอ า, อาบน้ําให้ศพเนี่ยก็เกิดเป็นลมก็เลยเผาไปทั้งที่ไม่ได้อาบไม่ได้แต่งศพพอตายไปแล้วแม่เองก็อยากจะให้ลูกมาเกิดดี ก, ก็จุดธูปจีเทียนบอกทุกวันเลยนะพอได้เวลาครบปีลูกมาเกิดความจริงก็มาเข้าต้องนานัยล่ะ ทบปีเขาก็คลอดเล็กรู้เรื่องหน้าไอตอนที่ลูกมานี่ไปเที่ยวเขาฝั น, านญาติพี่น้องปู่ย่าตายายหลายคนมาในลักษณะที่หน้าเปื้อนเลือดมาขอเป็นลูกตัวก็นึกว่อเ อ, อมีลูกนี่ตาจะน้ามีรอยรอยปานขนาดเตรียมตั้งชื่อว่าถ้าเป็นลูกชายก็จะเรียกว่าเด็กชายปาน ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่เรียนีก็ไม่ชื่อหญิงอนี่ยเดี๋ยนนี้ชื่อหญิงะที่นี้ก็พ่อคลอดออกมาจริงๆเนี่ยปรากฏว่าหน้าเป็นรอยมีแผลอะไรต่างๆอย่างที่สดเป็นนะครับมันข้ามมาได้ยังไง อ, อที่ไปพูดไว้ก็ไม่มีโอกาสอาธิบายเยอะแต่อธิบายในส่วนหลักๆไปบ้างมันข้ามมาได้ยังไง เราอาจจะเคยได้ยินว่าหมาหอนตอนไก่ ต, กาตายกลายเป็นหมาใช่ไหมนะไปเห็นหนู่นนนี่แล้วกลายเป็นนู่นเป็นนี่ไปตั้งเยอะแยะเลยสมัยก่อนก็มีสมัยนี้ก็มีมันโบราณเลยต้องแต่งตัวศพให้ไปรวยละหล่ออะไรอย่างนี้นะถ้าถามว่ามันติดมันได้ยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไอ้คนที่ถูกตัดหัวตายจะมีใครเกิดเปนคนหัวขาดไม่มีในโลกเลยที่เกิดเป็นคนหัวขาดใช่ไหมและหลายคนเน่ย ตอนตายถูกตัดขาก็ไม่ได้ขาขาดบางคนถูกฟันขาขาดเป็นเสี่ยวหนึ่งมาเกิดชาติใหม่แล้วเลื่นชาติได้ก็ขาขาดเป็นเที่ยวหนึ่งเอ๊ะทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นตรงนี้น่ะถ้าไม่อาศัยศาสนาแล้วก็เข้าใจได้ลําบากหน่อยคําตอบ ก, ก็คือว่าไอ้รอยแผลเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเกิดจากรอยด่างของกรรมมันไม่ใช่กรรมหลักนะกรรมหลักคือตัวเราทั้งตัวเนี่ย ไอ้กรรมหลักนลมันมีรอยด่างปนหรืออาจจะเป็นกรรมกระแตอื่นที่แทร ก, ก, แกเข้ามาเป็นรูปปีเรีกามันก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาทำให้อบุคคลนั้นเมื่อเกิดใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นจากรอยกรรมนะรอยติดมาในบุคลิกใหม่ทีนี้ไอ้ที่เราไม่ได้พูดอันหนึ่งก็คือว่าเราจะชำระไอ้รอยบาปเหล่านี้ได้อย่างไรควรชำระเลยไม่ควรว่าบางคนมันก็เป็นรอยบุญนะครับ ในสมัยพุทธกาลก็มีเป็นรอยบุญได้ดีไม่ดีเพราะลอยเนี่ยลอยเล็กลอยน้อยเนี่ยก็เหมือนใส่อะทำนองเทียบมันก็ไสนะเออเป็นใสตรงนั้นใส่แต่นี้บางบางใส่ไม่ควรตัดบางใส่ควรตัดอะไรทำนองอย่างนี้ควรแก้ไม่ควรแก่เพราะฉะนั้นอย่างพระจันทภาเนี่ยมีรอยรอยปานที่เป็นปานสิริแก่ล่ํลารวยคนเคารพนับถือมีเงินมีทองใช้โดยไม่ต้องทาเพราะไอ้ปานนี่แหละครับ มันมีแสงเลืองออกมาคนก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้เป็นแหล่งที่จะเรียกร้องอะไรต่ออะไรมันเกี่ยวกับบุญเก่าเพราะว่าจะเคยเล่าแล้วก็ได้สำหรับที่นี่เกี่ยวกับบุญเก่าเมื่อไปฟ้าบูติจาแล้วท่านถึงได้เล่าให้ฟังว่าเพราะไปทำอะไรไว้ไเหร อ, อเอาไว้ก็รอดูทางทีวีก็แล้วกันว่าเล่าไปในนันบงัง บังเอิญท่านมาที่หลังนะะมาที่หลังของที่นี่เป็นว่าอไอ้รอยอย่างเนี้ยไม่กลัวนอวะใช่ไหมใช่มันเป็นลอยบุญไม่ใช่ลอยบาปเพราะฉะนั้นถ้าลอยบุญเนี่ยบดบุญเมื่อไหร่ลอยหายลอยบาปบาปหมุนเมื่อไหร่หายแล้วก็จะเห็นว่าไอ้บางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นหายคระรอยกระสุนรอยอะไรต่างในกรณีอื่นนะพอโตขึ้นค่อยๆจางตื้นขึ้นตื่นขึ้น แต่ว่าบางคนเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งหนักขึ้นกว่าเก่านี่คือมันมีกรรมเสริมกรรมมันไม่ได้พราลงก็เลยนักเรีกขึ้นนักเรี่ยขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเราียกว่าแผลเฟ้อนะฮะทีแรกก็เป็นนิดเดียวถ้ามันมีกรรมมันได้ช่องมันก็มาขยายทําให้แผลเฟ้อแค่เริ่มจากตรงนี้นิดเดียวไม่น่าจะถึง เป็นถึงตายได้ไม่น่าจะเป็นถึงอย่างนั้นอย่างนี้ได้นี่คือมันขยายตัวท่า น, นคนที่เป็นโรคอะไรดีก็นิดเดียวเสร็จแล้วก็พลาดตรงนั้นแล้ะเลยพลาดใหญ่โตเลยเ อ, อ, องนี้น่ะคล้ายกับประวัติของท่านองค์นี้ท่านองค์นี้น่ะค้นจากความเจ็บปวดแต่ว่ากรรมมันไม่สิ้นสร้างใช่ไหมมันเลยเกิดไอ้รอยแผลเป็น พูดแล้วมันก็คล้ายๆผมผมนี่เป็นคนแผลเป็นเยอะผมก็ยังขอบคุณวันนี่แค่แผลเป็นไม่ใช่แผลตายแผลตายก็ไม่ใช่หรอกมันแค่แผลเป็นเพราะว่ า, เ, าเรามีเวรมีกรรมที่ไปทําให้เขาต้องเป็นลอยอย่างงานลอยอย่างนี้นะอไอนี้ก็เรื่องที่เรารู้ของเรานันก็อย่ามารู้มากมดูมากก็จะเห็นจับอะไรเนี้ต้องเป็นนะ่ะ จับคอนเดี๋ยวก็ต้องโดนภูบโป่งทบเปียงตรงนี้จับมีดเดี๋ยวก็ต้องโดนนิดโดนหน่อยมันเป็นเรื่องชะตากรรมแล้วมันก็เป็นรอยแผลเป็นซึ่งผมก็ถือว่านี่เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆอยผมพอใจแล้วว่าที่มันเป็นแค่นี้มันไม่ทําให้ขอขาดตาบอดอะไรนงี้ยเยอะเมืออยังเราไปทำกอาไว้เนี่ยพวกเป็นบุญทางนานแล้วพูดแค่นี้พวกเราไม่เข้าใจผมผิดนะ ถ้าพูดที่อื่นนะต้องขยายความเหตุยังไงก็ผมไปฆ่าใครก็ไว้ท่านถึงบอกว่าแผลเป็นอย่างอยู่แล้วท่านก็ไปเที่ยวเปิดให้พระดูเพราะว่าเรื่อ ง, องท่านเป็นเรื่องที่ที่คนตอนนั้นรู้จังพระด้วยสะเทือนใจก็คงจะเล่าซ้ํารักษำเล่าซากันบ่อยแหละแล้วก็เปิดหลักฐานให้ดูก็เป็นนั้นว่าท่านเป็นพระอรหันต์ไปจบกันไปแค่นั้น ามาถึงอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งคือท่านปินโดภาลัตวราชะาบางองคเนี่ยเราก็เคยเ ล, เล่ามาเพราะว่าบางองค์นั้นไปอยู่ในฐา น, นะเป็นเอตทักคะที่ดเคยเล่ามาก่อนบางองคก็อาจจะไปเล่าเสริมในประเด็นบางประเด็นที่เราตั้งขึ้นมาเป็นบทนําในครั้งก่อนๆ น, นะทีนี้พอมาถึงเรื่องลำดับประวัติท่านเนี่ยก็อาจจะมีซ้ําซากบ้างก็ ฟังแล้วก็ขอให้เป็นเครื่องเสริมความจําจแล้วก็เพิ่มเนี่ยแง่งมุมเพิ่มขึ้นอก่อนที่จะถึงท่านปินโดตะพาระเนี่ยขอย้ำถึงท่านอุตละอินิตเมื่อสืบไปดูประวัติในอดีตท่านแล้วเนี่ยก็สมควรที่ท่านจะเป็นอรหันต์ฝ่ายอุบโตปาคะเพราะว่าท่านเคยเป็นวิชาทรคือเป็นพวกดาบทล้วก็มีวิชาอาคมพอเอือเนือกิดได้นะมาแต่ชาติฟังก่อนแล้ว นี่ก็เป็นเรื่องบารมีทางสายนั้นมาเป็นอาหารแล้วก็เลยติดได้โดยง่ายนะครับทีนี้ท่านปินโดภารัตวะชะอชื่อของท่านก็คือท่านเกิดในสกุลภ า, ารัตวะชะทีนี้อปินโดภาระที่ตรงปินโดเข้ามาเนี่ยเพราะว่าปินโดนี้นมันแปลว่าก้อนข้าวเอาความว่าอาหารหรือการกินปินโดภาระ ทวาชะจึงหมายถึงขั้นภาระทวาชะที่มีภาระเรื่องการกินแปลเป็นอย่างสับจริงๆก็คือพวกกินมากกินจุแล้วก็มีความหมายเลยไปถึงขั้นตะกระด้วยปินโนภาระขอร้องว่าอย่าจำคำพูดนี้ไปว่าไปด่าคนบางคนแล้วด่าแบบให้เขาฟังมาดูเรื่อง จะไม่ว่าเขาตะกละก็อาจจะรุนแรงไปใช้เป็นภาษาบาลีคือปิโดภาระ <P> คนที่ถือเอาเรื่องการกินเป็นภาระสำคัญเลยกลายเป็นชื่อท่านเป็นอาหารหันต์แล้วท่านจะสำ ร, รวมเรื่องโพชเนมัตัญญตาแล้วท่านก็ยังถูกเรียกเป็นชื่ออย่างงั้นก็เลยเป็นชื่อที่ไม่ดีครับแต่พระหานก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านปินโดภารสวาชะนั้น จากประวัติเมื่อเราพูดถึงฐานะความเป็นเอตถคานั้นท่านได้รับยกย่องว่าเป็นผู้บรรลือศรีหานาะเป็นเลิศทางด้านนี้บรรลือศรีหานหมายถึงเป็นผู้ที่สแสดงธรรมในลักษณะของความองอาจท้าทายท้าทายไม่ใช่ท้าทายดุกิศแต่ว่าท้าทายทำให้เกิดความสะเทือนความูิสุกในทางการฟังธรรมอย่างรุนแรง เรียกว่าเป็นผู้เลิศในทางนี้ถ้าเทียบกับอย่างด่นี้ก็เรียกว่าเป็นพวกที่เก่งทั้งพูดปลุกใจเทียบกับการพูดในทางโลกเนะที่ที่เขาเรียกว่าโอเรชันคือสามารถที่จะพูดปลุกความรู้สึกให้เกิดความสำนึกในทางการเมืองในทางรักชาติหรือพูดกทหารก็ทําให้เกิดการกล้าตายแต่พระปินโดนั้นท่านพูดในทางความรู้สึกในธรรมและความกล้าในธรรมได้รับยกย่องลักษณะอย่างนี้ ท่านเองนั้นเป็นชาวเมืองโกสัมพีซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าอุเทนแะครับนเป็นพระราชาองค์สาคัญองค์นงหนึ่งในสมัยนั้นเป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าอุเทนมีชื่อเดิมว่าพราะรัตวาช้าอยู่พอดีก็เป็นคนยเยลยวฉลาดเรียนจบความรู้ที่คนยุคนั้นเขานิยมเรียนรู้ก็เป็นเรื่องของคำภี์บราหม์ แล้วคำพีประกอบอื่นนะที่พระพุทธเจ้าเองก็เรียนเหมือนกันจนกระทั่งได้รับยกย่องแต่งตั้งให้เป็นปรูบาอาจารย์สอนสานารณศิษย์เป็นจำนวนมากมายแต่ท่านเองเป็นคนมีลักษณะเสียในเรื่องของการกินท่านไม่ได้พารณาว่าเป็นคนอ้วนลงพุงอะไรยังไรหรือเปล่านะฮะแต่เรื่องจะอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่ง เราอาจจะอ้วนไม่ใช่เพราะกินมากก็ได้ยอย่างพระหลายรูปไม่ได้อ้วนเพราะกินมากก็ได้แต่ว่าถ้าถึงเวลากินและเป็นคนกินอย่างอาการของคนตะ ก, กละหรือจุกจิกจู้จีจ้วุ่นวายในเรื่องของการกินมากไปถ้าเป็นผู้คนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นคนระดับธรรมดาไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นคนระดับที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนมุนสอนหลักวิชาในทางเอจริยธรรมเบอรสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะ ขัดขวางศรัทธาท่านจึงว่าท่านปินโดภารทวาชานั้นมีลักษณะของความจรกาเนี่ยทำให้ลูกศิษย์ดูถูกไอ้ส่วนของความรู้ก็รู้จริงอะแต่ถ้าเป็นคนอย่างนี้ลูกศิษย์ดูถูกในที่สุดลูกศิษย์แทนที่จะมากขึ้นก็ลดลงลดลงลดลง ท่านใช้คานวณว่าถูกลูกศิษย์ทอดทิ้งเมื่อถูกลูกศิษย์ทอดทิ้งท่านเองเขเรียกว่าเอาทําให้ลำบากเรื่องราบสก a ล g a เรื่องความยืนอยู่รับนอนต่อมาก็ได้เห็นว่าพระบุทธเจ้าและพระสงฆ์ราบสกา r g เกิดมากเป็นราบที่ประณีตกว่าของตัวเองก็ค้นทางออกว่าเราควรจะไปบวช นี่เป็นตัวอย่างของกรณีของคนที่บวชเพราะเห็นแก่กินเพาะเห็นแก่ลาภประการละและเรื่องกินจึงมาบวชเพราะเหตุนี้เมื่อมาบวชแล้วพระพุทธเจ้านะท่านก็รู้ครับว่ามาบวชเพราะเหตุนี้แต่อันนี้นไม่สําคัญคนจะมาบวชเพราะเหตุอะไรแต่สิ่งที่ท่านมองว่าคนคนนี้มีวาสนาบารมีมีวิสัยที่จะเจริญในธรรมได้หรือไม่ ถึงว่าคนนั้นจะเป็นโจรแต่ว่ามีอุปนิสัยที่บรรลุทำได้ท่านก็เห็นแก่อุปาิสัยเพราะเลวแค่ไหนี่ความจริงไม่สำคัญถ้าเลวแล้วแก้ไขได้เยียวยาได้นั่นเป็นสาระสำคัญมันแค่คนตะกระนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ให้บวชบวชแล้วท่านก็ค่อยๆใช้หลักโพชเนมัจจัญาใช้หลักทางศาสนาในประการต่างๆเนี่ย ค่อยๆให้เข้าไปใส่เข้าไปควบคุมและสามารถทำให้บรรลุเป็นพระอระหันต์ได้โดยไม่นานนะเมื่อบรรลุเป็นพระอระหันต์ได้ <Yeah. S 1> พฤติกรรมที่ลูกศิษย์เคยลังเกียจในเรื่องอย่างที่ว่ามานี่ก็ละได้โดยเด็ดขาดแต่ชื่อของท่านก็ยังถูกเรียกว่าเป็นคนเห็นแก่กินเป็นคนจกลาอยู่ จนถึงวาริพานเลยอันนี้เป็นเป็นเรื่องของท่านปิณโดภาละตวะซึ่งก็พอจะชี้ให้เห็นว่าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยทําให้เราได้ความคิดถ้าเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนเนี่ยหรือเป็นคนที่จะต้องเอ่ยุ่งเกี่ยวกับคนโดยเฉพาะในวันในวานในการบริหารงานอบรมดูแลคนครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องนึกแย ก, กส่วนให้ถูก อย่าไปเอาความชั่วในบางอย่างของเขาเนี่ยมากลบมาเป็นเครื่องลดทอนมาเป็นเครื่องปฏิเสธเมตตาปฏิเสธอาการที่จะอบรมสั่งสอนดูแลแก้ไขเขาต้องแยกให้เป็นคนละส่วนให้ความชั่วก็ส่วนหนึ่งความดีก็เปนในส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องนึกอยู่เสมอว่าในส่วนของความดีของคนชั่วในบางเรื่องเนี่ยอาจจะสูงกว่า คนที่ไม่ได้เลวในเรื่องนี้ถึงขนาดนี้ด้วยกันทั้งสองด้านก็ได้เหมือนอย่างาท่านโอคีมารเนี่ยอันนั้นก็เกวรุนแรงมากก็เป็นตัวอย่างทำให้เรายับยัง้งยัางใจแล้วต้องมองทั้งสองส่วนเราจะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะคนสอนกรรมฐานคนที่อยู่ในวัดเนี่ยบทบาททั้งคนที่อยู่ในวัดเนี่ยต้องมองเรื่องนี้ให้ออกต้องเผื่อไว้ด้วย จะออกด้วยวิธีไรแค่ไหนนั้นแล้วแต่ความรู้ความสามารถในส่วนนี้ของแต่ละคนเราลองคิดดูมีขนาดลูกศิษย์อย่างทิ้งแล้วอาจารย์หรือคนที่สูงขวาที่เป็นฝ่ายยื่นมือมาให้เนี่ยถ้าไม่ไม่มองตรงนี้นะฮะไม่มีจริยธรรมมโนธรรมนั้นไม่มีการเอาแล้วครับนี่ก็เป็นอันบรรลุปไปแล้วทีนี้เอสิ่งที่อยากจะพูด เลยเข้าไปถึงอดีตชนิดหนึ่งเพื่อประกอบบุคลิกปัจจุบันว่าท่านปินโดภาระตวาชาชที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้บรรลือเวียนาฏเนี่ยเอาเข้าจริงในอดีตของท่านเนี่ยเมื่อตอนที่ท่านเริ่มอธิษฐานสร้างบา ร, รมีเพื่อได้รับการยกย่องในทางแสดงธรรมบรรลือเวียนาตเนี่ยครับตอนที่พบพระปัตมุตตะพุทธเจ้า เราพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยหลายครั้งก็องค์นั้นองคนี้แต่ว่าเวลาเรานึกภาพว่าเป็นคนยุคไหนองค์นี้เราเนึ่ไปออกวันนี้ผมก็เตรียมจะมาถ่ายเอกสารให้เพื่นไม่ดันนะก็ขอว่าคราวหน้าจะามาแจกเวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าไหนท่านก็นดูดูแผ่นนั้นเพื่อจะเข้าใจชัดเจนขึ้นอ อ, อย่างท่านปรุปรุตุลุตระเนี่ก็เป็น องค์ที่ท่านปินโดพาระตวาชะพบในขณะที่ท่านเสวยกาเนิดเป็นราชสีตรงนี้ผมก็ยังแทรกได้อีกว่าคนเหล่านี้มันมีล่องรอยให้ล่องรอยมันมีล่องรอยใหญ่ล่องลอยอย่างที่ผมเคยบอกเสมอว่าแม้เราตายชาติหนึ่งไปเกิดชาติหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะทิ้งบุคลิกชาติก่อนได้อย่างสินส้นซาง เอาแค่ชาติก่อนๆเ น, นี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยตายเกิดตายจากงูมาเป็นคนบางทีบางคนมันก็พอทิ้งไปได้เยอะบางคนก็แค่ติดแค่อาการเหมือน ม, นมาฟังธรรมะพระพุทธเจ้าไนงะมาถึงที่ฟังก็ต้องนอนเหยียดยาวตะพื้นไอ้พี่ปลา몽หนึ่งพระเจ้าคนนี้เคยเกิดเป็นงูเหลือมประเภทชอบนอนแล้วก็ชอบหลับนะ แปลว่าไปดูตามแขนตามขาไม่มีเกล็ดมันผิดกับอีกบางคนอย่างนายบนลอย่งมองปากอะไรยังรู้สึกว่าผมเห็นลูกขึ้นมาตั้งแต่านานแล้วเมื่อเกิดปีเดียวกับผมนะแล้วก็มีพวกปลาพวกมองมกรงไปวิจัยแล้วผมได้เอกสารอยู่ปากเหมือนงูจริงครับปากจะเหมือนงูผมก็ไม่รู้ว่าถ้าให้ใหอ้าแล้วจะมีคุณลักษัดวิเศษมันปากงูว่ะน ะ, ปปะ <c oughs> กินไข่ได้เป็นลูกๆอะ่ะ เกิดเรื่องอ่ะแต่นี้ไม่ทราบแต่มองมองแม้แต่ปากยังเหมือนงูเลยล่ะตามขาตามแข้งเนี่ยมีเกล็ดเป็นเกล็ดงูแต่เห็นว่าตอนนี้ก็อายุเท่าผมสี่สี่สิบเกินเกินแล้วมันจางลงไปนะเ้าเกิดเป็นคนซ้ําอีก ส, สาษาชาติหรื อ, อชาติอาจจะหายไปเลยอันนี้มันอยู่ที่กรรมอยู่ที่อะไรประกอบนะว่าที่เราทิ้งได้แค่ไหนแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบอย่างอื่น อะไรละเอียดเป็นเยอะทีนี้ไอ้บางคนเคยเกิดเป็นจะนีนี่นเดี๋ยวนี้ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่โคลาชมาเกิดเป็นคนและเป็นผู้หญิงแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันชอบห้อยหอยโหนโนมีแต่ว่าไม่ร้องผัวๆัไอ้นี่เป็นลายที่บางเอิญมันมีบาแสที่สืบไปได้ แล้วก็ลายที่เป็นพระลายที่เป็นเสือบางองค์ก็เป็นเสือชาติก่อนๆมาหลายชาติแล้วมาเป็นพระก็เป็นพระที่มีบุคลิกดุดุนะก็บางองค์ที่เราขึ้นขึ้นกันนี่จะเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบางองค์เนี่ยเรารู้<ม>โอ้บุคลิกและอายุสั้นนะอายุเพราะตอนเป็นเสือไปกินเอาไปเยอะ<ม>ก็อายุสั้นมาหลายชาติทำดีก็ทาจริงไปไหนก็คนเกรงขาม นี่มันถึงติดนะติดมาในลักษณะต่างๆแต่ก็ถ้าเราทําความอธิษฐานประถนาไว้ว่าเราต้องการบุคลิกหรือความสามารถที่มีอาการเหมือนกับสัตว์ตัวนี้อย่างเช่นสมมติว่ามาขอให้เราเป็นคนวัยเหมือนลิงแต่ไม่ใช่ไปเกิดเป็นลิงนะเกิดเป็นคนแต่ขอวัยเหมือนลิงจะได้ไปเล่นใน ไอ้อะไรละกีฬาชนิดหนึง่งเด่๋ยวนี้เราคนไทยเราก็เก่งยิมนาสติกอะไรอย่างนี้นะเล่นโกลเล่นอะไรจะ ไ, ได้ใช้ความสามารถของลิงมาช่วยไวเหมือนลิงแต่ไอ้บางคนมันไม่ใช่แค่ไวหน้ามันออกเป็นลิงลิงอย่นี้เหมือนอย่างที่เขาว่าว่างนะ <c oughs> บอกแม้แต่หน้ามันยังคล้ายคลลิงเลยอะไรอย่างนี้นคือมีคนเขาเขาพูดกันแต่เขาไม่ดือกันก็รู้จักได้กันมัน่งกูบอกเออจริงนะหน้าลําคล้ายคล้ลิง แล้วบางคนก็โทษนะไอ้ทีก็ด่าว่านาหมาหนาหมาบางคนก็เกิดใครเราก็ไม่รู้มาเลยชาดไม่ได้ว่าเว่าเคยเป็นอย่างงั้นมาแล้วก่อนรูปลาวนะแต่ว่าในทางหลักเนี่ยมันมีตัวอย่างเก่าๆมีตัวอย่างที่เป็นไปได้พอพอเป็นเครื่องประกอบข้อวินิจฉัยได้อ่าท่านปิณโดเนี่ยท่านเคยเกิดเป็นราชจษฎาได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้สงกรานต์ท่านมารู้ว่าทําให้สัตว์ได้ฌานในสัตยาได้ ก็ไปเข้านั่งสมาบัติให้รัชศรีมาบูชามาเป็นที่เราเรียกเป็นบอดี้การ์ดระวังรักษาให้ตลอดเจ็ดวันแล้วพระเจ้าก็ทรงอนุโมทนายูชาเพราะทางคงพูดว่าทำให้สัตว์เนี่ยเข้าใจความของกันได้คนมีธรรมะสูงไม่จะเลื่องแปลกนะแล้วก็เดียวก็มีความปรารถนาอยากจะเป็นคนที่ ได้รับยกย่องคือได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาภิกษุไว้ในฐานะอย่างนี้ก็ปรารถนาจะเป็นอย่างไงเป็นแบบอย่างที่อยากเป็นเอาอย่างตามๆกันมาเลยเมาได้บุคลิกแม้ว่าตอนพบพระปัตตมุตตะพุทธเจ้าเนี่ยตั้งหลายพบหลายชาติมาแล้วก็ยังได้บุคลิกลักษณะบางอย่างของราชสีติดตัวท่านมา แต่ว่าไอ้เรื่องกินจูนี่ไม่รู้ไปเอาที่ไหนมาคงไม่แช่อะไรจะดีก็อย่างว่าแหละคนเรามันมีไอ้สิ่งปนแปลกมาได้ในบุคลิกเดียวจากหลายๆกระแสของปัจจัยตอนนี้มาพูดถึงองค์หนึ่งองค์นี้คือท่านวัลยยะท่านวัลยยะนั้นเป็นบุตรพรมหาสารชาเมืองลาวที เป็นคนนีสายจะว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละคือชอบเที่ยวที่เล่นกับที่ประจานรองเท้าหรือมีไสาเกิดขึ้นที่ฝ่าเท้าทุกวันนี้เราก็ยังพูดถึงว่าแม้แต่บางท่านอาจจะเป็นพระภิกษุแล้วยังชอบเที่ยวมีไสาที่เท้าจริงๆนะก็ช อ, อบเที่ยวก็เที่ยวอย่างที่พระจะาบึงออกไปดูอะไรต่อะไรได้อ่าเป็นคารวะชอบเที่ยวก็กมีอยู่ไม่ติดชอบไปนู่นมานี่ แล ะ, ะบางคนที่ผมเห็นนี่ก็เป็นคนในแวดวงธรรมะเราพอสมควรไม่รู้ฟังอะไรมากแล้วท่านก็บอกกับผมเองเลยครับเป็นเจ้าของโรงเรียนอนุบาลอยู่แห่งหนึ่งอยู่ทั้งวังทนนะผมก็รู้จักแม่แล้วก็ลูกเขาด้วยพอก็ตายไปนานแล้วเขาบอกเลยครับอายุตั้งเดี๋ยวนี้ตั้งแปดสิบแล้วผมเจอหน้าหลุยถามป็นไงคุณแม่เลิเาเียบอกยงชอบเที่ยวเที่ยวจกนกว่าจะหมดแรงเที่ยวที่ไหนก็ไปทั้งนั้น ตามลงล้ำลงแหลมกันคำคือนิ้วมีงานอะไรใหญ่ๆท่านก็อยากไปแต่ว่าท่านไม่ดดได้ไปเป็นเที่ยวแบบเป็นคนที่เสียหายอะไรนะก็เที่ยวแบบชอบเรียนรู้มีอัธยาศัยลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอคนเที่ยวเนี่ยมันมีทั้งเที่ยวแล้วได้ดีเพราะเที่ยวก็มีมาตั้งบริษัททั่วได้ก็เพราะไอเที่ยวนะไปเจอคู่คลองดีๆก็เพราะไอเที่ยวไปได้ความรู้ดีๆก็เพราะไอเที่ยวหลายคนแม้แตถูกยิงตายไปนี่ก็คน ดูยินตายไปเนี่ยแล้วก็ไอ้บางคนก็ความรู้ไม่มีเลยแต่ว่าชอบเทีย่ยวเที่ยวจนกรทั้งได้ดีเลยครับี่บางคนเที่ยวแล้วได้ชั่วก็มีนี่มันเป็นเรื่องของไอชตากรรมผมพูดไปแล้วก็จะเหมือนจะเป็นเรื่องนอกเรื่องไปนะว่าเราทรําเบญธรรมกรรมอะไรไว้กับใครยังไงแค่ไหนราะนี้อย่าลืมนะครถ้าใครชอบเทีย่ยวเราก็เที่ยวแล้วพยายามหยอดหยอะกรรมไว้เป็นเครื่องเครือกูลว่าเราเที่ยวไปด้วยเราก็ ล่าบุญกับการเที่ยวไปด้วยเพื่อเอาไว้ไว่าถ้าชาตินี้ไม่ทำชาติหน้าเราได้ท่องเที่ยวอีกเราจะได้ไปเจอดต่ลาบสกาลาอะไรจำลองอย่างนี้นะค่า ห, หาประโยชน์ด้วยนี่ความจริงนะที่พูดเนี่ผมผมทำจริงๆนะแผ่เมตตาได้ก็แผ่อุทิศอะไรก็ฝ่าตามที่ผมเข้าใจของผมนะแจกได้ก็แจกให้ได้ก็ให้แลผูกมิตรไว้ด้วยประการมหาบุญไว้อย่างนี้ เผื่อว่าบางทีเราไปแล้วไปเจอไอ้คนที่เราเคยทำแบบอย่างนี้หรือคนที่เราเคยเครื่อกูนกันไว้แล้วเดี๋ยวนี้เข้ามาอยู่ที่เทลามันม า, มาเที่ยวก็มาเจอเขาใช่ไหมเรามาเที่ยวก็ได้มาเจอเขาเคยบางคนถ้าว่ามันบุญจะได้ช่วยกันแรงจริงๆเนี่ยถึงอยู่คนละมุมโลกก็ต้องเจอแต่ว่าถ้ามันไม่แรงมากๆเราต้องกระตึ้กระสนนิดหน่อยเขามากระตุ้กระสนมาเรากระตุ้กระสนไปแล้วก็ไปจ่าเอา๋อ หรือไปได้อข้อคิดได้อะไรต่ออะไรที่มันเกิดขึ้นจากการไปรเทียททเท่ยวหลายที่ชนีดเที่ยวไปจนไปเจอเอ็ดได้ไหมไงเทีย่ยวจนไปเจอเอ็ดเที่ยวที่จนกระทั่งไปโดนเขาตีหัวล่างข้างแตกไอ้พราเที่ยวก็มีนะตอนนี้นอย่างนี้นะ่ะเก็บตัวดีกว่าอย่าไปกระสื่อกระสนตัวา ก, กากรรมมันจ้องอยู่แล้วถ้าเราใช้ความพยายามควบคุมกิจการหน่อยก็ไม่ไปหัวแตก ไม่ไปตายไม่ไปโอ้โหบางคนไปตายหน้าอานาถไอ้เรื่องเดียวๆนะบางทีก็ไปตายเนี่ยต้ไม่อยากให้ใครรู้อ่ะพอไปตายเพราะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วไปตายใช่ไหมอ่าไอ้นี่ก็มีเยอะอะ่ก็นี่แหละว่าเอาเป็นว่าผมพูดถึงกรณีของคนที่จะไปทําบุญจริงๆแล้วไปตายอย่าว่าแต่ไปทอดกระถิ่นแล้วไปทําวิปัสนาเป็นอหรหันต์แล้วตายจะตายแล้วเป็นอหรหันต์ชาตาคนบางคนต้องเป็นอย่างนี้ นะก็มีเพราะฉะนั้นไอ้กรณีอย่างเนี้ยต้องนับว่าโชคดีถ้าเราตายอย่างธรรมดายิ้มตายตายไม่ได้ไเลยเลยก็ให้โดนตัวยิงตายแล้วเป็นพระอรหันยังเขาดากว่านะหรือตายแล้วทําให้คนเนี่ยเกิดเอ่อเกิดการคุ้มครองสัตวป่าขึ้นมาตั้งมูลิี่ขึ้นมาเออมันน่าตายหนี่ง <c oughs> อ่ะทีนี้มันมีอันที่บอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ ไปไ ป, ไปนู่นไปนี่แล้วเกิดอาบางลายนะฮะที่ว่ า, เ, าเดินทางไปเพื่อจะไปไปบางที่ไปตายซะอย่างไอ้บางคนที่เป็นขาวมาเอาพอเราๆที่อยู่ทางโกลาดอย่างนั้นนะโหรวยหมหาสารตายอย่างนั้นน่ะน่าชื่นใจไหมหรือวีมลงโดยห้ามก็นใช่ไหมจําได้ไม่ได้ไอ้ที่พูดเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในทางอื่นะ่ะ อย่างนี้เราก็รู้สึกแหมไปทอดกระถิ่นรถชนตายเพียงดีกว่าใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นบอกว่าคนตายในหน้าที่เนี่ยคำนี้นะถ้าบังเอิญนักการเมืองถ้าจะตายขอให้ตายตอนเป็นรัฐมนตรีบางคนอรรเอาปฎดเษียนมาได้อกเดือนนะครับตายแหมหมดท่าเลยตายตายไม่สำคัญแต่ว่าถ้าตายในตำแหน่งนายกต ในพ้เหลืองนี่นะก็โดนะตายในพ้าเหลืองตายในขณะบรรยายทำไม้ตายในหน้าที่ที่เป็นบุญนั่งวิปัสนาตายหน้าตายควรจะบอกญอาติพี่น้องอย่าไปพูดในอีกแง่หน้งไหมทำบุญตายได้ยังไงบุญไม่คุ้มบุญไม่ช่วยต้องอธิบายดีๆขอให้ทราบว่าตายในหน้าที่ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้ว เมื่ออาจจะประสบเหตุเพศภัยมีกรรมจะต้องอุบัติเหตุอุบัติภัยตายแล้ว่าขอไปอุบัติภัยในขณะที่เราทําบุญพอใจอย่างพอใจพอใจถ้ า, ถาเอาไอ้ตรงนี้เราก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้าคนมีชะตาจะตายอย่างนั้นแล้วบุญความดีที่ทําเนี่ยมันพอจะแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยนะเราก็ต้องเผื่อไว้ฮนะว่าเออไม่เป็นไตายอย่างนั้นดีแล้วใช่ไหม ขอให้ตายถ้าเขารู้ว่าโอ้คนเนี้มันมีเนี่ยไอ้ประเภทมันมีเคยมีข่าวที่นั่งรถจะไปทําความชั่วบังเอิญเล่าเล่ า, ลาแล้วผมนึกเรื่องรายละเอียดไม่ได้แต่หลายคนอาจจะพอนึ้ได้จะไปทําความชั่วบางอย่างแล้วเขามาจับได้ทีหลังมันไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนตายกลางทางคนเขาสาธุอนุโมตนาความตายของคนคนนี้กันทั่วเมืองโอ้ไอ้คนจะโดนทํร้ายแหม่ดีมตายไปก่อน หลายเป็นไม่ดีไปเลยไม่ได้รับการสงสารนี่เป็นเรื่องเที่ยวกําลังพูดถึงเรื่องเที่ยวท่านวันเลียะเนี่ยเที่ยวจนได้ดีนะมีกุศลวิบากเกิดจากการเที่ยวถึงแม้ว่าอสาลระของการเที่ยวเนี่ยมันมันจริงๆพูดในเชิงธรรมะเนี่ยมันก็คืออกุศลธรรมดานี่ถ้าคนเรียนธรรมะแล้วก็ไม่แปลกนะเป็นอกุศลพื้นๆอกุศลที่ไม่ผิดธรรมแต่ไม่ใช่ เที่ยวได้บุญไหมไม่ได้บุญแอ้เป็นบาปจะต้องตกในโลกหมองไม่ใช่เป็นบาปธรรมดาดบาปมีผลทําให้จิตเศร้าหมองทํำให้ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นดารามากขึ้นกว่านี้อะไรงี้ยนะฮะแล้วก็บางคนนเป็นนักกินซะจนได้ดีมีไหมเช่นใครเป็นต้ออฮะคุณชายถนัดศกินแล้วจนได้ดีเลย เไอพ่อไปเที่ยวกินๆเนี่ยรู้วที่ไหนอร่อยแล้วมาเที่ยวบอกกล่าวครับไม่ปกปิดมิดเม้นคนเดียวมันก็เป็นบุญอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมมาบอกสูตรบอกอะไรจัดรายการเลยคนมาเชิญให้กินแล้วยังได้ค่าตอบแทนใช่ไหมยังเราไปกินแล้วก็ให้ค่าตอบแทนให้กินฟรีก็ยังไม่ยอมเลยใช่ไหมล่ะแต่ของท่าน่ะเขาต้องเชิญไปกินนะกินแล้วได้ค่า ต้มีค่าตอบแทนไม่ทางตรงกัทางออกแล้วก็มีคนพยายามจะเรียนแบบท่านแล้วก็อย่างบางคนไปเชียงใหม่ก็ไปเจอคนหนึ่งนี่เขาก็บอกว่าเออนี่ก็กินถ้าจนได้ดีเหมือนนพี่สาวเขาเองเ อ, อ่าเอยชื่อก็แต่หม่อมหลวงเติบผมก็ชื่อเติบนะ อ, อ่านี่น้องคนน้องชายเล่าให้ฟังหม่อมหลวงตุย้ยไป อ, อ่าบรรยายทางวิชาการร่วมกันแล้วก็เลยคุยๆกัน บอกนี้่พี่สาวเขาทำอาหารเก่งมาทําอะไรก็อร่อยหมดเพราะว่าเป็นคนชอบสั่นกินแล้วก็เลยสรรหาเลยมาเขียนตเรตาตําราสอนทางนี้ได้ดีได้ดีกันไปสมัยก่อนตั้แต่มันยังไม่มีไอ้ข้ า, าราชการไม่เลือกเป็นลาวเหมือนอย่างนี้กรณีอย่างนี้เราต้องเป็นคนมีพื้นทางกุศลหรือบาทําอะไรมันก็จะเป็นไปเจอช่องได้ง่ายทําอะไรแล้วไม่สูญเปล่าเ อ, อ ท่าน ล, ลีท่านได้ดีจากการเที่ยวอย่างไรเที่ยวจนไปเจอธรรมะเรนีวมี้มางไหมาเที่ยวจนไปเจอธรรมะคงคงจะมีตัวอย่างเหมือนกันนะที่ไปเวนี้เคามีทัวร์แบบธรรมะทัวร์ไงฮะเที่ยวไปอินเดียแล้ไปเจอธรรมะอินเดียก็มีก็ผมก็เจอตัวอย่างมาแล้วแต่นําจ่องยาวธรรมะอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปพูดแล้วประเภทเที่ยวอย่างเพื่อไปเที่ยวอย่างโลกโลกเนี่ย เสร็จแล้วไปเจอธรรมะพอเที่ยวไปเจอวัดเจอพระอย่างไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่นะก็มีตัวอย่างในบ้านเราหลายคนเหมือนกันผมนึกรายละเอียดไม่ได้ทีนี้ท่านเองเนี่ยท่านก็ไปเที่ยวเราเราย้อนกลับไปนึกถึงอพระนางแม่เหตีของพระเจ้ามีวิสารนะนั่นพระสวามีต้องออกอุบายให้เที่ยวเพื่อจะให้ไปเจอธรรมะจําได้ไหมเชื่ออะไรครับ ก็านางอะไรเที่ยวจนเจอธรรมะซึ่งตอนหลังเป็นานได้รับยกย่องทางเอตตะกะชื่ออะไรไหนช่วยบอกนี้ไหนบอกชื่อหน่อยดีครับก็านางอะไรฮะเขมาอ่าใช่กนางเขมาจนไปเจอรพุทธเจ้านะฮะ นี่เรียกว่าไปเจอกัลยาณมิตรเที่ยวจนเจอกัลยาณมิตรและบางค น, นมีธรร ม, มะอยู่แล้วได้ได้ครูอยู่แล้วเที่ยวจนกระทั่งไปเกิดธรร ม, มะขึ้นเหมือนอย่างพระสมัยก่อนท่านเที่ยวป่าท่านไปโู่นไปนี่นะฮะแม้แต่นนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันขณะผ่านสำนักอโซ่ไปนีน่ยังได้ธรร ม, มะอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเอาไปเที่ยวอ้างนะมันก็ไม่ได้ก็มันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นไม่ไปในที่ที่เป็นอโคจร โดยเหตุบังเอิญหรือโดยเหตุการณ์บังคับอันใดอันหนึ่งแต่ตัวเองมีธรรมะอยู่ก็ไปพบธรรมะในประวัติพระหลายองค์ต่อมายังมีเงียมุมตรงนี้ด้วยก็เพื่อนก็พูดถึงวัดถึงพระพุทธเจ้าในที่เที่ยวที่หนึ่งว่านี่พระเจ้าเป็นยังไงได้กัลยาณมิตรเลยไปสนใจว่พาไปหาหน่อยที ในชั้นแรกน่าก็นึกแค่ว่าค่าของการท่องเที่ยวมีศรัทธาเริ่มซุ้มปนเข้าไปนิดหน่อยเมื่อไปฟ้าพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมผลก็ปรากฏว่าศรัทธาบวชเลยครับเปลี่ยนการท่องเที่ยวในท่าโลกมาเป็นธรรมะโกจรแล้วก็ไม่ใช่บวชธรรมดาบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าให้กรรมาฐานปฏิบัติกระสนาฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์ในบรรสาน ชะตาคนเดี๋ยวนีนะ้มีจริงๆพวกเราก็มีผมเล่าแ้วเดี๋ยวไปกประทบก่าเงือนกันมากเกินไปไปเที่ยวมาทั่วโลกแล้วอะไรเงี้ยนะไปเที่ยวมาโหยทุกรูปแบบเลยก็มีทั้งหลายคนผู้หญิงผู้ชายที่เราเล่านะ่ะเสร็จแล้วก็มาตายหลังมาตายหลังหลังคือตายวัดตายในในที่ธรรมะชีวิตกับตละปะัด เลยการเดินทางไปต่างประเทศกลายเป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายก็เลยต้องมีวิธีถ้าไม่พกธรรมะไปด้วยเนี่ยมันจะเบื่อที่สุดเลยต้องพกธรรมะธรรมะปฏิบัติพกหนังสือธรรมะเทศธรรมะอะไรไปด้วยก็ค่อยมีความหมายจากการเดินทางหน่อยเอาละบรรลุเป็นราหันไปแล้วนี่ท่านที่ชื่อว่า วั ล, ลียองที่สามของวันนี้นะะทีนี้ถ้าจะไม่พูดถึงบุพกรรมซะหน่อยเนี่ยบางทีจะไม่ชัดเจนบุพกรรมที่ท่านทําไว้อันหนึ่งสอดคล้องกับการเที่ยวมากคือเล่าว่ามีกรรมอันหนึ่งที่ท่านได้ทําไว้เมื่อกับที่สามสิบเอ็ดตอนนั้นเป็นสมัยว่างจากพระพุทธศาสนาแต่ว่าท่านเองนะป ร, ะรารถนาที่จะบรรลุธรรมสังสมบูรณ์มาก่อนแล้ว แม้ในภพศาสนาในบารมีคุ้มที่เรียกว่าบารมีคุ้มก็มาพบพระปัจเจคพุทธเจ้าที่ท่านอยู่ในป่าประพุติธรรมของท่านเห็นแล้วก็เกิดความเลื่มใสนะะอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งว่าคนที่สั่งสมความเลื่อมใสในในอาจารย์ในปฏิปทาอะไรแล้วมาเจอคนที่อยู่ในสายแบบนั้นจะเลื่อมใสจะนิยมชมชื่นทันทีนะเอาง่ายๆเด็กๆเนี้ย เราจะเห็นว่าเวลามาเจอคนลักษณะต่างๆให้ความนิยมชอบมันฟ้องหรือดีตแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะแต่สันนิษฐานจากเรื่องต่างๆที่มีอธิบายไว้ในทางหลัก mm hmm. พอไปเห็นนั้นเรื่องใสก็คิดว่าเออนี่เราอยากจะทำอะไรก็สร้างสารลาให้แล้วก็ที่สาคัญก็คือสร้างที่จงกรมใช้คาว่าทางจงกรมทำไว้เยอะเลยท่านจะได้เดินจงกรม เป็นที่โครจรปฏิบัติธรรมเพื่อเขาเรียกว่ า, าสัมปชัญญะโครจร น, นี่มันมันก็เลยมาค่อนข้างจะเข้าขายหน่อยนะคือเรียกว่าท่าทา ง, ท, างท่องเที่ยวและตัวเองมามีนิสัยชอบเที่ยวอีกด้วยกรรมมันก็มาสอดคล้องกันงนะก็เลยมาได้เดบได้ดีได้ดีเพราะเที่ยวงั้นถ้าใคร ที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้วชอบการท่องเที่ยวหรือจะต้องเดินทางแล้วก็อยากได้สาระจากการเดินทางต้องสร้างทางถวายวัดสร้างที่จงกรมถวายนะจะเป็นวัดหรือจะเป็นสำนักปฏิบัติอะไรก็ได้เอาเป็นเป็นเคล็ดของบารมีกุศลทางนี้เราจะเกิดความรู้สึกที่รุนแรงแล้วก็ชัดเจนขึ้นก็ เ, เห็นบางคน ไปสร้างที่ทำตัดถนนถวายวัดที่ลบบุรีนี่พวกนักเรียนพิธามเก่าผมยี่สิบปีมาแล้วโทรมาบอกว่าเออเอาพอสร้างที่สร้างทางถวายวัดปับในในสัปดาห์นั่นแหละขายที่ได้เลยอุปสรรคขัดข้องหายอะไรเงี้ยราะว่าทำด้วยความเชื่อและอธิษฐานนี่็ก็ว่าเล่ามาอย่างนั้นจู่แถวซอยเอกมัย อันนี้จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับพระองค์ใดองค์หนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่านะฮะว่ามีที่มาอ่านแล้วเราก็เลยรู้อ๋อโบราณเนี่ยท่านศึกษาเรื่องประวัติพระเรื่องคติกรรมร อ, อะไรแต่อะไรเพราะมีตัวอย่างเกี่ยวข้องในประวัติพระอยู่จริงๆแต่ว่าจะถึงวันนี้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะก็จะเล่าไปวงไปเรืร่อยๆบางๆมาถึงอีกองค์หนึ่งองค์นี้ก็ได้เคยเอ่ยถึงในลักษณ ะ, ะเป็นตัวอย่างประกอบหลักข้างใดครั้ ง, งหนึ่งที่ได้พูดมาในคราวก่อน องที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่มีชื่อว่าคังคาติริยะแปลว่า